อนาปติวนันภิกษุต่อไปดีไม่ต้องอบัดคือ220 1้ิภิกษุชั้นในสมัย2อภิกษุ 2- อสรูปชั้นร่วมกัน3าภิกษุหลายรูปเที่ยวบิดาบัดแล้วประชุมชั้นร่วมกัน4ีภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายเป็นนิด5้ภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายตามสลาก6กภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายในปัก7จภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ 8. ภิกษุชั้นประทหารที่เขาถวายในวันปาฏิบท 9. ภิกษุชั้นประทหารทุกชนิดยกเว้นโภชนะ5 10. ภิกษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติคณะโภชนะศิคาบทที่ 2. จบ